นครกันดวรา น, นาพระมหาสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วเมื่อจะตรัสกับพระชนกจึงตรัสคาถานี้ว่า่าพระบาทชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมใจกันให้ในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากเว่นแคว้นตอนนั้นพระเจ้าสัญชัยเมื่อจะยังพระโอรส ให้อดโทษแก่พระองค์จึงตรัสว่าลูกรักจริงทีเดียวการที่พ่อให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษผิดเพราะถ้อยคำของชาวสีพีนั้นชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมอันชั่วช้าและชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมเครื่องทำลายความเจริญแก่พวกเราครั้นตรัสคาถานี้แล้วเมื่อจะทรงวิงวอนพระโอรสเพื่อ น, นาความทุกข์ของพระองค์ไปเสีย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 ความว่าได้ยินว่าพระเจ้าสัญชัยตรัสอย่างนี้กับพระเวสสัดนดรด้วยพระประสงค์อันนี้ว่าแน่พ่อธรรมดาบุตรพึงนำความทุกข์เพราะความเศร้าโศกของบิดามารดาไปเสียแม้ต้องสละชีวิตเพราะเหตุนั้นลูกอย่ากเก็บโทษของพ่อไว้ในใจจงทำตามคำของพ่อ จงเปลื้องเพศหรือสีออกแล้วถือเพศกษัตริย์เถิดนะลูกพระโพธิสัตว์แม้ทรงใคร่จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสคำมีประมาณเท่านี้ก็จะชื่อว่าไม่มีความหนักแน่นเพราะเหตุนั้นจึงตรัสกับพระราชบิดาพระเจ้าสัญชัยทรงให้พระมหาสัตว์รับคำเชิญพระมหาสัตว์ทรงรับว่าสาธุครั้งนั้น เราอมาตย์หกหมื่นคนผู้เป็นสหชาติรู้ว่าพระมหาสัตว์ทรงรับคำเชิญจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะสงสนานขอเชิญทรงชำระพระมนทินเถิดลำดับนั้นพระมหาสัตตรัสว่าท่านทั้งหลายรอสักครู่หนึ่งเสด็จเข้าบรรณศาลา ทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุดสังสเสด็จออกจากบรรณศาลาทรงรำพึงว่าสถานที่นี้เป็นที่อันเราเจริญสมณธรรมสิ้นเก้าเดือนครึ่งและสถานที่นี้เป็นที่แผ่นดินไหวเหตุเราผู้ถือเอายอดแห่งพระบารมีบริจาคปิยบุตรทรทานแล้วทำประทักษิณบรรณศาลาสามรอบ ทรงกราบด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วทรงยืนอยู่ครั้งนั้นเจ้าพนักงานมีภูษามาลาเป็นต้นก็ทากิจมีเจริญพระเกศาและพระมัสสุเป็นต้นของพระมหาสัตว์ชนทั้งหลายได้อภิเสกพระมหาสัตว์ผู้ประดับด้วยราชาพรทั้งปวงผู้รุ่งเรืองดุจเทวราชไว้ในราชสมบัติ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเวสสันดรราชทรงชําระล้างพระมนชินแล้วสละวัดปฏิบัติทั้งปวงทรงเพศเป็นพระราชาบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทรงชําระล้างปะวะหายิได้แก่ให้นําไปก็แลครั้นให้นําไปแล้วได้ถือเพศเป็นพระราชา ครั้งนั้นพระมหาสัตว์เป็นผู้มีพระย์ใหญ่สถานที่พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแล้วก็วานไหวเราผู้รู้มงคลทรงจำมงคลไว้ด้วยปากก็ยังมงคลทั้งหลายให้กึกก้องพวกประโคมก็ประโคมดนตรีทั้งปวงขึ้นพร้อมกันความกึกก้องกลาหนแห่งดนตรีเป็นการคลึกคลื้นใหญ่ ราวกับเสียงกึกก้องแห่งเมฆคำรามกระหึ่มในท้องมหาสมุทรฉะนั้นเราอมาตประดับหัตถีรัตนแล้วเตรียมเทียบไว้รับเสด็จพระเวสสันดรมหาสัตว์ทรงผูกพระแสงขันรัตนแล้วเสด็จขึ้นหัตถีรัตนะเราอมาตหก6มื0นผู้เป็นสหชาติทั้งปวงประดับเครื่องสัมภารังการแวดล้อมพระมหาสัตว์ ฝ่ายนางกัญญาทั้งปวงให้พระนางมัสีสนานพระกายแล้วตกแต่งพระองค์ถวายอภิเสกเมื่อถวายการรดน้ำสำหรับอภิเสกณพระเศียนแห่งพระนางมาสัสีได้กล่าวมงคลทั้งหลายเป็นต้นว่าขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า พระเวสสันดรบรมมกษัตริย์ทรงสนานพระเกศาแล้วทรงสเสวตพัดอันสะอาดทรงประดับด้วยเครื่องราชปิลันธนาพรทุกอย่างทรงสอดพระแสงขันอันทําให้ราชปัจจามิตรเกรงขามสเสด็จขึ้นทรงพยาปจจยนาคเป็นพระขชาทานครั้งนั้นเหล่าสหาชาติโยธาหารทั้งหกมื่นสวมสอดสัมภาวุธ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 ขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาลรักษาพระแม่เจ้าขอพระชาลีและพระกัญหาชินาทั้งสองพระองค์จงทรงบำรุงรักษาพระแม่เจ้าต่อไปอันหนึ่งขอพระเจ้าสรญชัยมหาราชจงทรงคุ้มครองรักษาพระแม่เจ้ายิ่งขึ้นไปเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสเสด็จขึ้นทรงพญาปัจญานาะค ปัจจยังนาคมาลุยหะได้แก่ช้างตัวประเสริฐซึ่งเกิดในวันที่พระเวสสันดรประสูตินั้นคําว่าอันทําให้ราชปัจจามิตรเกรงขามปา ร, รันตะปังได้แก่อันยังอมิตรให้เกรงขามคําว่าแวดล้อมปริกะริงสุได้แก่ห้อมล้อมคําว่าต่างชื่นชม นั้นธยันตาได้แก่ให้ยินดีคำว่าเราพระสนมกานันของพระเจ้าสีพีสิวิกัญญาความว่าเราประชาบดีของพระเจ้าสีวิราชประชุมกันให้พระนางมาสศีสงสนานด้วยน้ำหอมข้อว่าขอพระชาลีและพระกัญหาชินาทั้งสองพระองค์ จงทรงบำรุงรักษาพระแม่เจ้าต่อไปชาลีกันหาชินาจุโภความว่าแม้พระโอรสพระธิดาของพระแม่เจ้าเหล่านี้ก็จงรักษาพระมารดาก็พระเวสสันดนบรบรมมกษัตริย์และพระนางมัสีได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้วทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ ขณะที่เสด็จไปประทับอยู่ในป่าในการก่อนจึงรับสั่งให้นำกลองอานันทะเพรีไปตีประกาศที่เว้งว้างวางเขาวงกดอันเป็นรมนียสถานก็พระเวสสันดรบ ร, ร ม, มกษัตริย์และพระนางมัศีผู้มีพระลักษณะได้ดำรงในสิริราชสมบัตินี้ตามเดิมแล้วทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์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 อิทันจะปัจจยังลัทธาความว่าภิกษุทั้งหลายพระเวสสันดรและพระนางมัสีทรงได้ปัจจัยนี้คือที่พึ่งนี้แล้วดำรงอยู่ในราชสมบัติคาว่าในการก่อนปุบเพความว่าทั้งสองพระองค์ทรงอนุสอ์ถึงการพระทับแรมอยู่ในป่าอันเป็นความลำบากของพระองค์ในการก่อนแต่นี้ จึงให้ตีกลองอานัตเพรีเที่ยวเปล่าร้องคำว่าที่เวิ้งว้างวางเขาวงกฏอันเป็นรมณียสถานรมณียคิริพเชความว่าให้ตีกลองอานัตเพรีที่ผูกด้วยละดาทองท่องเที่ยวเปล่าร้องในเวิ้งเขาวงกฏอันเป็นที่ควรยินดีว่าเป็นอนาเขตแห่งพระราชาเวสันดร จัดเล่นมหรสพให้เพลิดเพลินคำว่ามีพระหฤรุไทยปราโมทเกิดโสมนัตอานันทจิตตาสุมนาได้แก่พระนางมัศีพูดถึงพร้อมด้วยพระลักษณะได้พบพระโอรสพระธิดาทรงดีพระหฤรุไทยคือยินดีเหลือเกินคำว่าปีติโสมนัตปีติตา ได้แก่มีปีติโสมนัสเป็นไปแล้วก็แลพระนางมสซีครั้นทรงมีปีติโสมนัสอย่างนี้แล้วได้ตรัสแก่พระโอรสพระธิดาว่าแน่ลูกรักทั้งสองในการก่อนคือเมื่อพราหมณ์นําลูกทั้งสองไปแม่มีความปรารถนาลูกทั้งสองแม่จึงได้บําเพ็ญวัดนี้คือแม่บริโภคอาหารวันละครั้ง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 พระบิดาของลูกก็ดีกระทำแล้วมีอยู่ด้วยบุญกุศลทั้งหมดนั้นขอให้ลูกจงเป็นผู้ไม่แก่ไม่ตายบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคำว่าแน่ αι, ลูกรักทั้งสองแม่มีความปรารถนาลูกทั้งสองตุมหังกามาหิปุตตะกาพระนางมัซีตรัสว่าแน่ αι, ลูกน้อยทั้งสองแม่ปรารถนาลูกลูก เมื่อลูกๆถูกพรามนาไปในการก่อนแม่กินอาหารมื้อเดียวนอนเหนือแผ่นดินแม่มีความปรารถนาลูกๆจึงได้ประพฤติวัดนี้ด้วยประการชนิคำว่าสำเร็จแล้วในวันนี้สมิททัชะได้แก่วัดนั่นและสำเร็จแล้วในวันนี้ข้อว่าขอความโสมนัต มันเกิดจากแม่และแม่ที่เกิดจากพระบิดาจงคุ้มครองลูกมาตุชัมปิตังปาเลตุปิตุชัมปิจะปุตตะกาความว่าลูกน้อยทั้งหลายเอย๋ยโสมนัตที่เกิดแต่แม่ก็ตามเกิดแต่พ่อก็ตามจงคุ้มครองลูกๆคือบุญที่เป็นของแม่และพ่อจงคุ้มครองลูกด้วยเหตุนั้นเองพระนางมัตสีจึงตรัสว่า บุญยางได้อย่างหนึ่งที่กระทําแล้วมีอยู่ยังกินจิติกระตังปุญญงังฝ่ายพระนางพุสดีเทวีมีพระดำริว่าตั้งแต่นี้ไปสุนิสาของเราจงนุ่งห่มภูษาเหล่านี้และทรงอาพรเหล่านี้แล้วสั่งให้บรรจุวัฏถาพ์เต็มในหีบทองทรงไปประทาน พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระนางมัสยีจะทรงงดงามด้วยพระภูษาอย่างใดพระพุทธดีสัตสุราชเทวีก็ทรงจัดพระภูษาอย่างนั้นคือพระภูษากับปาสิกพัทโกสัยพัทโหมาพัทและโกทุมภรพัททรงไปประทานแก่พระนางมสัสยีราชสุนิสา พระนางมัศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระพุทสดีสัสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือสอรสอส้อยพระสอทองคำสร้อยพระสอโนพรัตทรงไปประทานแกพระนางมาัศีราชสุนิสาพระนางมัศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระพุทธดีสสุราเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือพระวไลสําหรับประดับต้นพระพาหากําไลข้อมือสายรัดพระองค์ฝังแก้วมณีตาเพชรทรงไปประธานแก่พระนางมาสศีราชสุนิสาพระนางมาสศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระพุทธดีสัจุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือดอกไม้ทองเครื่องประดับพระเมาลีเครื่องประดับพระนราชและเครื่องประดับฝังแก้วมณีสีต่างๆกันทรงไปประทานแก่พระนางมสศีราชสุนิสาพระนางมสศีจะทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใด พระพุษศีสัสุราชเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือเครื่องประดับพระถันเครื่องประดับพระอังศาสอิงเพชรฉลองพระบาททรงไปประทานแกพระนางมสัสีราชสุนิสาเครื่องประดับที่พระนางพุษศีทรงไปประทานนั้นมีทั้งที่ต้องร้อยด้วยเชือกทั้งที่ไม่ต้องร้อยด้วยเชือก พระนางผดษดีทรงตรวจดูเครื่องประดับทรงเห็นที่ใดยังบกพร่องก็รับสั่งให้นํามาประดับเพิ่มเติมจนเต็มพระนางมาศีราชบุตรีทรงงดงามยิ่งนักดังนางเทพกัญญาในนันทนาวันพระนางมาศีราชบุตรีทรงสงสนานพระเกศาแล้วทรงสเสวตพัฒประดับด้วยอาภร์ทั้งปวงทรงงดงามยิ่งนัก ดังนางเทพอับสอนในดาวดึงพระนางมัศีราชบุตรีทรงมีพระโอส์สมบูรณ์สเสด็จลีลาดงดงามดังต้นกล้วยอันเกิดในสวนจิตตะรดาถูกลมรำเพยพัดไหวไปมาฉะนั้นพระนางมัศีราชบุตรีทรงมีพระโอทแดงดังผลใสสุกงดงามยิ่งนักปานดังกินนรีมีขนปีกงามวิจิต บินร่อนอยู่ในอากาศฉะนั้นบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าสร้อยพระสอทองคาโขมันจะกายูรังได้แก่เครื่องประดับพระสอมีสันฐานดังผลอินทพลัมแล้วไปด้วยทองคาคำว่านพรัตรรัตนามยังได้แก่เครื่องประดับพระสออีกชนิดหนึ่งแล้วไปด้วยรัตนะ คำว่ากาไลข้อมือสายรัดพระองค์ฝังแก้วมณีตาเพชรอังคทังมณีเมฆลังได้แก่เครื่องประดับกาไลข้อมือและเครื่องประดับบั้นพระองค์แล้วไปด้วยแก้วมณีคำว่าดอกไม้ทองเครื่องประดับพระเมารีอุณนนตังได้แก่เครื่องประดับชนิดหนึ่งคำว่าเครื่องประดับพระนราช มุขผลลังได้แก่เครื่องประดับเจิมบนพระนราชคำว่าสีต่างๆกันนานารตเตได้แก่มีสีหลายๆคำว่าเครื่องประดับฝังแก้วมณีมานิเยได้แก่แล้วไปด้วยแก้วมณีเครื่องประดับสองชนิดแม้เหล่านี้คือเครื่องประดับพระถันเครื่องประดับพระอังสา อุคุ ธ, ธนางคิงขมะกังก็จัดเป็นเครื่องประดับคําว่าสไอ้งเพชรเมฆลังได้แก่เครื่องประดับบั้นพระองค์แล้วไปด้วยทองและเงินคําว่าฉลองพระบาทปฏิปาทุ ก, กังได้แก่เครื่องประดับพระบาทคาว่าทั้งที่ต้องร้อยด้วยเชือกทั้งที่ไม่ต้องร้อยด้วยเชือกสุตัญจะสุตวัชชัญจะได้แก่ เครื่องประดับที่มีสายร้อยและมิได้มีสายร้อยแต่ในบาลีเขียนไว้ว่าสุ ป, ปัญจะสุ ป, ปวัตชัญจะดังนี้ก็มีคำว่าพระนางพุสดีทรงตรวจดูเครื่องประดับทรงเห็นที่ใดยังบกพร่องก็รับสั่งให้นามาประดับเพิ่มเติมจนเต็มอุปนิชายะเสยสิความว่า พระนางผุสดีทรงตรวจดูเครื่องประดับที่มีสายร้อยและไม่ได้มีสายร้อยที่ยังบกพร่องอยู่ก็ทรงทำให้บริบูรณ์พระนางมสศีทรงพระโชมงามอุดมงดงามเพียงเทพกัญญาในนันทนวันคำว่าถูกลมรำเภยพัดไหวไปมาว่าตัดฉุ ป, ปิตาความว่าวันนั้นพระนางมสศีเสด็จลีลาสงาม ดุดต้นกล้วยทองต้องลมซึ่งเกิดที่จิตละดาวันฉะนั้นคำว่าทรงมีพระโอสสมบูรณ์ทันตาวรณะสัมปันนาได้แก่ประกอบด้วยริมพระโอษฐ์สีแดงเช่นผลตำลึงสุขข้อว่าปานดังกิ น, นรีมีขนปีกงามวิจิตบินร่อนอยู่ในอากาศฉะนั้นสกุนีมนุสินีวะชาตาจิตตปัตตาปติ ความว่าแม้สกุนีมีนามว่ามานุสินีซึ่งเกิดมาโดยสรีระดุจมนุษย์มีขนปีกอันวิจิตกลางปีกบินร่อนไปในอากาศย่อมงดงามฉันใดพระนางมสัสีมีพระโอษ ด, ดังผลไสสุขเพราะมีพระโอษแดงก็งดงามฉันนั้นเราพนักงานตกแต่งดรุณหัตถี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 มีงางอนงามดังงอนรถมีกําลังกล้าหาญบรรดาคําเหล่านั้นคับว่าพระนางมสีตัดสาจะความว่าภิกษุทั้งหลายอํามาตทั้งหลายได้นําช้างหนุ่มเชือกหนึ่งซึ่งไม่แก่นักยังหนุ่มมัชชิมวัยเป็นช้างทนต่อการประหารด้วยหอกและลูกศรประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเพื่อพระนางมสี คำว่าเสด็จขึ้นประทับบนหลังดรุนหัตถีนาคมารุหิได้แก่เสด็จขึ้นทรงหลังช้างพระเวสสันดรและพระนางมัรีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพด้วยพระอิสริยยศใหญ่ด้วยประการชนี้ฝ่ายพระเจ้าสัญชัยมหาราชประพาดเล่นตามภูเขาและป่าประมาณหนึ่งเดือน กับด้วยถวยหาน12อัคโคพินีภาระมะลึกและนกในป่าใหญ่ถึงเพียงนั้นมีได้เบียดเบียนสัตว์ไรๆด้วยเดชานุภาพแห่งพระมหาสัตว์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณนะเขาวงกฎนั้น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 ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฏนั้นนกประมาณเท่านั้นมาประชุมในที่เดียวกันในเมื่อพระเวสสันดรผู้ผดุงสีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณเขาวงกฏนั้น เนื้อประมาณเท่านั้นต่างพากันมีทุกข์เพราะจะต้องพลัดพรากจากพระเวสสันดรมิได้ส่งเสียงร้องอันไพรเราะเหมือนการก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงศีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงณนะเขาวงกฏนั้นนกประมาณเท่านั้นต่างพากันมีทุกข์ เพราะจะต้องพ ร, พรากจากพระเวสสันดรมิได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะเหมือนการก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงศีพีรัตให้เจริญจะเสด็จกลับบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายาวันเตถะเนื้อประมาณเท่าใดนะัเขาวงกฎนั้นตัดบทเป็นยาวันโตเอฏะคำว่ามาประชุมในที่เดียวกัน เอกัตชังสันนิปติงสุได้แก่มาประชุมพร้อมในสถานที่เดียวกันก็แลครั้นประชุมกันแล้วได้มีความโทมนัสว่าบัดนี้ตั้งแต่นี้ไปเราทั้งหลายจะไม่มีความละอายหรือความสังวรต่อกันละกันคําว่ามิได้ส่งเสียงร้องอันไพเราะเหมือนการก่อน นาสะมัญชูนิผูชิงสุความว่ามีความทุกข์เพราะพัดพราบจากพระมหาสัตว์จึงไม่ส่งเสียงร้องไพเราะอ่อนหวานพระเจ้าสัรชัยนรินทราชครั้นเสด็จประพาสเล่นตามภูเขาและราวไพลประมาณหนึ่งเดือนกับทวยหารสิบสองอัคโคพินีแล้วตรัสเรียกเสนาคุดอม า, มาตรัสถามว่า เราทั้งหลายอยู่ในป่ากันนานแล้วมักคาเสด็ของบุตรเราพวกเจ้าตกแต่งแล้วหรือครั้นเราอมาศกราบทูลว่าตกแต่งแล้วพระเจ้าค่าถึงเวลาเสด็แล้วพระเจ้าค่าจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรให้ตีกลองเปล่าร้องให้ทราบการเสด็กลับพระนครแล้วทรงพากองทัพเสดกลับพระเวสสันดรมหาสัต สเสด็จญาตราด้วยราชบริพารใหญ่สู่มัคาที่ตกแต่งแล้วกำหนดได้60โยต์ตั้งแต่เวิ้งเขาวงกฎจนถึงกรุงเชตุดรพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าราชวิถีที่จะเสเด็จพระราชดำเนินนั้นประชารา ช, ช่วยกันตกแต่งราบรื่นงามวิจิตรโปรยปลายด้วยดอกไม้ตั้งแต่เขาวงกฎ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 ในเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญสเสด็จกลับพระนครบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตกแต่งราบรื่นปฏิยัตโตได้แก่ตกแต่งเหมือนในการจัดบูชาพิเศษในวันวิสาขบูรณมีคำว่างามวิจิตวิจิตโตได้แก่วิจิตไปด้วยต้นกล้วยหม้อน้ำเต็ม ธงและแผ่นผ้าเป็นต้นคำว่าโปรยปลายด้วยดอกไม้ปุพหสันตะโตได้แก่โปรยปลายด้วยดอกไม้ทั้งหลายมีข้าวตอกเป็นที่ห้าคำว่าที่ยัตถะความว่าประดับตกแต่งมักคาตั้งแต่เขาวงกฎที่พระเวสสันดรประทับอยู่ติดต่อกันจนถึงกรุงเชตุดรนคำว่าสวมหมวก กรติยาได้แก่มูทหารสวมหมวกบนศีรษะที่ได้นามว่าศีสกักรติกะทหารสวมหมวกเกราะคําว่าสวมเกราะหนังจำ ม, มัทราได้แก่สวมหนังเครื่องบังที่คอคําว่าถือโลดั้งสุวัมมิกาได้แก่สวมเกราะด้วยดีด้วยข่ายอันวิจิตข้อว่าเดิน น, นันนา อุรโตปฏิปัตชิงสุความว่าโยธาผู้กล้าหาญเห็นป่านี้แม้มีโคลงช้างซับมันพากันมาก็ไม่ถอยกลับคงดำเนินไปข้างหน้าพระเวสสันดรราชพระเวสสันดรราชล่วงมักคา60โยศมาสิ้นสองเดือนถึงกรุงเชตุดรเสด็จเข้าสู่พระนครอันประดับตกแต่งแล้วสเสด็จขึ้นปราศาท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 รับสั่งให้ประกาศการปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจำบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีปั้มปราการและทวารเป็นอันมากพหุปาการะโตระนังได้แก่ประกอบด้วยปราการสูงใหญ่และซุ้มประตูที่มีหอรบเป็นอันมากคําว่าบริบูรณ์ด้วยการโฟนรำขับร้องทั้งสองอย่างนัดจะคีเตหิ จูพยังได้แก่ประกอบด้วยการฟ้อนรำและด้วยการขับร้องทั้งสองคำว่าตางชื่นชมยินดีจิตตาได้แก่มีจิตยินดีคือถึงความโสมนัตคคำว่าเมื่อพระมหาสัตว์ผู้พระราชทานทรัพย์สมบัติเสด็จมาถึงแล้วอาคเตธพนัทายเกได้แก่เมื่อพระมหาสัตว ผู้พระราชทานทรัพย์แกมหาชนเสด็จมาถึงคำว่ารับสั่งให้ตีกลองนันทเพรีไปตีประกาศนันทิ ป, ปเวสิความว่าให้ตีกลองนันทเพรีเป่าร้องในพระนครว่าเป็นราชอาณาจักรของพระเวสสันดรมหาราชคำว่ารับสั่งให้ประกาศการปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจํา พันธะโมกโขอโคสถะความว่าได้เป่าร้องให้ปล่อยสัพพสัตจากที่ผูกขังไว้คือพระเวสสันดรมหาราชโปรดให้ปล่อยสรรพสัตจากที่ผูกขังไว้โดยที่สุดแมวก็ให้ปล่อยในวันที่เสด็จเข้าพระนครนั่นเองพระเวสสันดรทรงพระดำริในเวลาใกล้รุ่งว่าพรุ่งนี้ครั้นราตรีสว่างแล้ว พวกยาจกรู้ว่าเรากลับมาแล้วก็จักพากันมาเราจะให้อะไรแก่ยาจกเหล่านั้นในขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชได้สัมแดงอาการเร่าร้อนพระองค์ทรงอาวัชนาการก็ทรงทราบเหตุการณ์นั้นจึงยังพื้นที่ข้างหน้าและข้างหลังแห่งพระราชนิเวศให้เต็มไปด้วยรัตนะสูงประมาณเอว บรรดาให้ฝนรัตนเจ็ดอย่างตกเป็นราวกับฝนลูกเห็บให้ตกในพระนครทั้งสิ้นสูงประมาณเขาวันรุ่งขึ้นพระมหาสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าและข้างหลังแห่งตระกูลนั้นนั้นว่าทรัพย์นั้นจงเป็นของตระกูลเหล่านั้นแหละแล้วให้นำทรัพย์ที่เหลือขนเข้าท้องพระคลัง กับด้วยทรัพย์ในพื้นที่แห่งพระราชนิเวศของพระองค์แล้วเริ่มการให้ทานพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจินตรัดว่าขณะเมื่อพระเวสสันดรผู้ประดุงสีพีรัตให้เจริญเสด็จเข้าพระนครแล้วท้าวสักกะเทวราชทรงบรรดาลฝนทองคำให้ตกลงในขณะนั้นลำดับนั้นพระเวสสันดรบรมกษัตริย์ ผู้มีพระปัญญาทรงบำเพ็ญทานแล้วครั้นสวรรคตพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์ชนีแลบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าถึงสวรรค์สักขังโสอุ ป, ปัชชะได้แก่จุติจากอัตภาพนั้นแล้วเสด็จเข้าถึงดุสิต บ, บุรีด้วยอัตภาพที่สองพระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกซึ่งประดับด้วยคาถาประมาณหนึ่งพันคาถานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนมหาเมฆก็ยังฝนโบครพัดให้ตกในที่ประชุมแห่งพระปยุรยาตของเราอย่างนี้เหมือนกันแล้วทรงประชุมชาดกว่า คามชูโชกในการนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้นางอมิตตตาปนาในการนั้นได้เป็นนางจินจมานวิกาในบัดนี้ครานเจตบุตรในการนั้นได้เป็นชนะในบัดนี้อจจุตดาบดในการนั้นได้เป็นสารีบุตรในบัดนี้ข้าสักกะเทวราชในการนั้นได้เป็นอนุรุทธะในบัดนี้ พระเจ้าสันชัยนรินทราชในการนั้นได้เป็นพระเจ้าสุธโธธนะมหาราชในบัดนี้พระนางผุดสดีเทวีในการนั้นได้เป็นพระนางสิริมหามายาในบัดนี้พระนางมัตซีเทวีในการนั้นได้เป็นยโสธราพิมพามานดาราหุนในบัดนี้ ชาลีกุมารในการนั้นได้เป็นราหุลในบัดนี้กันหาชินาในการนั้นได้เป็นอุบบนวรนนาในบัดนี้ราชบริษัทนอกนี้ในการนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้พระเวสสันดรราชในการนั้นคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแลนครกันดาวานานาจบ อัฏฐกถาเวสันดรชาดกที่สิบจบบริบูรณ